สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Star y o u r w a y Podcast ตอนที่2ครับผมวิศ Star y o u r w a y และข้างๆผมสวัสดีค่ะมาดาม Star y o u r w a y แวบมาด้วยครับอันนี้เป็นเทปที่เอาไหรล่ะคุณ2เทปที่2 อ, อุ้ยตายเราก็เลยมีกัน2คนใช่ปะใช่สวยเนาะเทปแรกเนี่ยมีคนฟังไปทั้งหมดประมาณหูประมาณ18 ล้านคนเออสิบแก็คือ180คนนี่แหละ180คนใช่แต่ว่ามันเป็นรายการแรกๆไงเออทุกอย่างมันก็ต้องมีครั้งแรกเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวนะแล้วถามหน่อยว่าปกติในคนไทยจะฟังอยู่ยอดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการคือพอรแคสต์ในต่างประเทศเนี่ยเขาทํากันจนแบบร่ํารวยเป็นล่ําเป็นสันเลยเป็นรายการวิทยุที่มีสปอนเซอร์เข้าบางคนเนี่ยเปิดเป็นบริษัททำพอร์ตแคสต์อย่างเดียวเลยแต่ในประเทศไทยเนี่ยคือมันยังไม่มีไง เราก็เลยมาเปิดโลกใหม่ให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเราอาจจะเป็นคู่แรกในไทยก็ได้นะครับที่ทำพอดแคสต์แล้วได้ตังค์หรอใช่แต่ของแพรไม่สนหลอกได้ตังค์อ่ะแพรสนใจว่าทำพอดแคสต์แล้วได้ผัวอยู่ข้างๆเนี้ยรีจเจ้ากว่าะนะคะคือแต่ว่าถ้าที่เราลองคุยกับคนที่เขาทำพอดแคสต์นะครับมีช่องช่องหนึ่งเขาชื่อว่า Infinity Podcast คือช่องเนี้ยเขาก็ไปคุยกับฝรั่งแล้วเขาก็ตกใจนะฮะว่าฝรั่งเนี่ยคือเขางงว่าทําไมคนไทยเนี้ยฟังพอดแคสต์กันน้อยมากอื กลายเป็นว่าในประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่แบบพอดแคสต์ไม่ได้รับความนิยมเลยทั้งที่ต่างประเทศมันโอ้โหอภิมหาโคตรจะบูมก็น่าห น, น่ะสิแพมเห็นแบบว่าคุณวิทย์เปิดว่าภาษาอังกฤษไฟแลบยิ่งกว่าแต่พอเสร็จพอมาดูเมืองไทยก็มีแค่ไม่กี่คลิปเองอะ่ะมันไม่ได้เรียกว่าเป็นคลิปมันเรียกว่าเป็นตอนเอ อ, เ อ, อ ม, ม, ม, ม, ม, ม, มีมีแค่ไม่กี่ตอนที่แบบว่าเออคนจะสนใจอะไรอย่างนี้งั้นขอประกาศนตรงนี้เลยนะคะฟังพอดแคสต์ของแพมแล้วจะได้ผัวไม่เกี่ยวครับเพราะว่าคนฟัง Starry Way มีทั้งผู้ชายผู้หญิงถ้าผู้ชายเขาฟังแล้วห ก็ลูกสาวแพมเป็นผู้ชายเขาก็อยากมีผัวกันทั้งนั้นเลยอ่ะทีนี้เนี่ยใช่ในเรื่องนี้เราอยากจะมาคุยกันเพราะว่าตอนนี้สตาร์ทเอเย่นะครับผมดีใจมากที่คนรุ่นใหม่อย่างเด็กเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของการเป็นนายตัวเองโอ้เยอะมากแต่ที่เสียใจก็คือเวลาที่เราคุยกับเด็กเนี่ยมันไม่เหมือนคุยกับผู้ใหญ่ค่ะคุยกับผู้ใหญ่เราคุยกันแบบโอเคเรารู้เรื่องจริงเหรอบางคนก็ไม่รู้เรื่องนะคือการที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะมาถามคาถามเราเนี่ยเขาก็ต้องผ่าน าการโปรเซส<แ>การค้นหาคำตอบด้วยตัวเองมาสักพักหนึ่งก่อนอแต่เวลาที่คุยกับเด็กเนี่ยบางทีบางคำถามเราแบบเราเราไม่รู้ว่าเราจะตอบซ้ำซากทำไมเช่นพี่ครับผมอยากจะทำ YouTube สมมตินนะมสมัครยังไงครับเปิดกูเกสิคะถูกอันนี้คือคำตอบที่ถูกนะฮะแต่ว่าก็นะไม่เป็นไรนเราถือว่ายาวชนเนี่ยเขาเขา มีความใฝ่รู้เพียงแต่ว่าความใฝ่รู้ของเขามันยังใช้ได้ไม่เต็มที่แค่นั้นเราก็ถือว่าช่วยๆกันไปไม่หรอกเอาจริงๆเ่ยที่หา google เรื่องอื่นนะหาเก่งนันจังแหละแหม่พิทีเรื่องนี้เสือกโง่ไม่หากันไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าก็อย่างน้องก็ยังเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่เขาเข้ามาถามเรานะฮะแต่ไอมีคําถามอยู่คาถามหนึ่งที่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่จะพูดคําหยาบได้ไหมในรายการ podcast <ช>ผมไม่รู้ว่าถ้าผู้ปกครองนะครับ<ช>ไปฟังในรถอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเอาเป็นว่าจะไม่พูดคำหยาบแล้วกันนะฮะ ไอ้ที่ผมหงุดหงิดมากเรื่องพี่ครับผมอยากจะทําอะไรดีเอากูจะรู้ปะล่ะอ้าวคาหยาบแล้วก็เพิ่งบอกอย่าพูดคำหยาบอ่ะหนูจะรู้ไหมล่ะค่ะคุณเออแม่งเลยแบบบางทีเราฟังแล้วหงุดหงิดนะคือไอ้เรื่องหงุดหงิดเนี่ยเมื่อกี้ก็หลุดแห่งช่างแม่งแล้วกันอะเอาเอาตัวเราโอเคโอเคนอะคือบางทีหงุดหงิดมากมันไม่ได้หงุดหงิดตรงคําถามค่ะแต่มันหงุดหงิดตรงคําตอบของเราเนี่ยแหละอืมเอางี้นะ ถ้าเรายังไม่มีงานทําใช่ไหมค่ะลองไปสมัครเป็นพัฒน์ไทม์ก่อนแม่ตามร้าน KFC ตามร้านแมรี่โดนชั่วโมงละสีกว่าบาทเขาโอนะไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรเยอะแยะมากมายแค่ใช้แรงใช่ไปเรียนรู้ซะว่าการทํางานในระบบมันเป็นอย่างไรอืมอืมไม่เอา่าพี่ผมว่าผมไม่ค่อยชอบนะผมอยากทางานประเภทแบบออนไลน์มากกว่าอืมอ่ะออนไลน์อ่ะมีความสามารถอะไรไหมล่ะลองไปรับงาน Fast Work ์กไหมเป็นฟรีแลนซ์เออไปเขียนบทความก็ได้อ่ะเออเขียนบทความรับจ้างโพสเว็บบอร์ดอ่ะ ผมผมว่าผมไม่ค่อยชอบอะไรแบบนั้นนะคะพี่พอจะมีทางอื่นแนะนํำไหมฮะแล้วมึงชอบยี่ยอะไรคะเอางี้น้องทําบล็อกทำบล็อกทำบล็บอกเขียนบล็อกดีๆเดี๋ยวมีสปอนเซอร์เข้าหรือถ้ามีทราฟิกมีคนดูเราขายของได้ด้วยนะ<ม>อืมเออก็น่าสนนะครับพี่แล้วผมควรจะเขียนเรื่องอะไรดีเขียนเรื่องอะไรก็ได้น้องที่น้องชอบสักประมาณปี2ปีเนี่ยเดี๋ยว<ม>พอมีแฟนคลับเยอะมากขึ้นเดี๋ยวสปอนเซอร์ก็มาโอ้โหปี2ปีเลยพี่แม่งไม่ไหวว่ะพี่เอออ่ะแล้วอ่ะแล้วน้องอย่าทำอะไรอ่ะเอาไปขายของออนไลน์ไหม ดีครับพี่ดีแต่ผมก็ยังไม่รู้จะขายอะไรเลยครับอ่ะงั้นน้องเอางี้นะน้องลองไปติดต่อเป็นตัวแทนจําหน่ายก่อนก็ได้มไม่ต้องเสียตังค์ส่วนใหญ่เขามีสินค้าให้เราก็เอาสินค้าเขามาโพสขายแล้วกันอมผมว่าทําอย่างนั้นมันก็ไม่รวยสัทีหนึ่งนะครับอ่ะอยากรู้ไหมว่าแผนจะตอบว่าอะไร ค, คือคือคําตอบมันยังไม่จบสุดท้ายเนี่ยผมเนี่ยไปถามไอ้น้องใช่ไปถามน้องว่าอ่ะตกลงน้องอยากทาอะไรทําอะไรก็ได้ครับพี่ผมเป็นคนง่ายๆพี่แนะนำมาหน่อย ว่ามึงง่ายมาหลายรอบแล้วอะอ่ะโอเคแพมขอสรุปขอสรุปเลยนะคะไปขายมิทีนค่ะยังมีนะไม่เป็นบอกว่าขายแอมวงแอมเวอ๋อก็แรกก็จะบอกแล้วล่ะแต่แบบว่าเออบางทีเนี่ยแอมเวก็แบบว่าอาจจะไม่ได้กดติ๊กตองมิทีนมาละค่ะยงี้ไงเออคือคือไอ้เรื่องของการคิดเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีคําตอบนะคำตอบมันมีเยอะแยะมากมายเลยครับในแต่ว่าคุณจะเลือกคําตอบไหน ถ้าคุณมาถามมาดามแพมอย่างเงี้ยมาดามแพมก็อาจจะบอกไมไม่เป็นช่างแต่งหน้าอมมือก็ไม่เอาอีกใช่ไหถ้าอย่างนี้แหละคนถามแต่จจว่าถามแล้วจะทำไม่ทาก็แล้วแต่ไม่มไมคือใช่ใช่คือเรารู้ว่าเขาว่าอยากจะได้เงินง่ายๆอะ่ะอืเออไอการได้เงินง่ายใครก็อยาก แต่ขนาซื้อลอตเอรี่แม่งยังต้องไปนั่งขูดต้นไม้ต้องไปนั่งหาเลขเด็ดตามนิตยสารมันก็ไม่ได้ง่ายนะใช่ใช่นะครับดังนั้นในเรื่องของการเป็นนายตัวเองเนี่ยคําถามนี่มันเป็นคําถามที่มันสะท้อนในหลายๆอย่างค่ะอย่างน้อยนะฮะมันสะท้อนเลยว่าคุณอาจจะไม่มีความพร้อมในทางด้านการเป็นนายตัวเองเลยก็ได้มันก็อย่างนี้แหละใครก็บอกว่าไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมจะพร้อมผมรวยไปนานแล้วล่ะเอาแล้วคนอื่นนะเ้ารอให้พร้อมมัซะที่ไหนเอาจังจริงนะแพมเองอะแพมยังไม่คิดว่าจะพร้อมอะไรเลยเอาอะไรอยากจะทําอะไรก็ทําทําไปอ่ะใช่เออมี อะไรทำอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆนะแพรมขอเสนอนะคะอย่าด่าแพรมแล้วกันถ้าคุณจ่ายพันหแพรมให้ด่าบุฟเฟ่ด่าได้ทั้งวันเลยค่ะแพรมขอบอกเลยว่าเอาเศษผ้าเศษของที่คุณไม่ใช้แล้วโพสขายไปเลยขายจีป้าฐานเนะี่ยเอาของที่ไม่ใช่แล้วโพสตขายไปสิ อันนั้นแหละคือความจริงที่คุณสามารถทำได้ขายเป็นของมือสองไปใช่ใช่เอออีปีศาสตร์ควายอย่างงี้ปะเออหมือนตอน<ม>ที่เราโดนด่ากันสมัยเรียนไงใช่ครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยแค่เราค้นหาก Google ว่าเราจะเป็นนายตัวเองหรือจะสร้างเงินได้อย่างไรเนี่ยผมว่ามันก็มีหลากหลายเวให้เราเลือกเดินแล้วนะเพียงแต่มึงไม่ถามไงมไม่คิดไงแล้วพอมาถามเราพอเราให้คาแนะนาไป แ ล, wow. แ, ลแล้วไม่ถูกใจแม่งก็มาผิดหวังใส่เราอีกใช่แบบโอ้ยมาปรึกษาอุตส่าห์ถอน่ามาปรึกษาพี่วิศตาเยเวได้แค่นี้เหรอว่าผิดหวังว่าอืมก็นี่แหละน้องคะสมองอ่ะมีรอยอยากบ้างไหมหรือน้องอยากกินปลาบ้างไหมคะอืมอืมดีไหมคือจริงๆเนี่ยพี่แพรไม่ได้ด่านะคะอันนี้คือคาตรงๆที่พี่แพรพูดเลยแต่ถ้าใครมาถามแพรมาแพรถามว่าอะ พี่แพรมพี่แพรมขายอะไรอะ่ะพี่แพรมขายชุดตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาธรรมดาทำไมได้ตั้ง2 0 0พั0 0ามพันอะไรก็ว่าไปอเอาน้องด่าว่างานพี่เฮียเหรอคะว่าคนซื้อโง่เหรอเออปล่ามันแล้วแต่มันเป็นอะไรที่แบบว่ายูนิคอะคนอชอบเพราะก็ซื้ออ่าเหมือนน้องเนี่ยชอบเกระเป๋าไนกี้อย่างเงี้ยน้ อ, ง, องเก็บตังค์แทบตาหลุดไปซื้อกันอะ ก็ออยังทำได้คนที่อยากได้ของของพี่ของพี่ก็เป็นยูนิพอๆกับไนกี้เนี่ยแหละแต่เป็นแค่ของคนเฉพาะกลุ่มมันก็แบบโอ้ยเขาก็ทุ่มทุนที่จะซื้อปะคุณเออเดแฟ น, น, นเหมือนกันนะอืการที่เราจะรู้ว่าใครสักคนหนึ่งมันใช่กับเราหรือเปล่าเราก็ต้องลองคบคนนู้นคนนี้คนนั้ น, นไปเรื่อยๆแล้วจนกระทั่งมันเจอคนที่เราคลิกอะค่ะ เออเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เราจะค้นหาอาชีพที่ใช่อย่างเงี้ยครับอถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วเอาแต่นั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือนั่งคิดเพีงอย่างเดียวเนี่ยอโอกาสที่จะเจออาชีพที่ใช่บันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยโอ้ยมันยากออาจริงๆนะสมัยนี้เนี่ยเราจะเลือกทําอะไรสักอย่างเนี่ยก็ต้องคิดหน้าคิดหลังแต่แพมขอเสนอว่าทําอะไรก็ได้ที่เราไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะใช่ เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องราวของคนใน Inbox s t a r สตาร์ยูเอวาส่งมานะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยทำงานอยู่ณบริษัทบริษัทแห่งหนึ่งเป็นคนที่มีความสุขในการทํางานมากก็ไม่ได้คิดจะลาออกอะไรหรอกจนกระทั่งวันหนึ่งนะฮะเขามาฟังสตาร์ยูเอว์แต่เขาก็ไม่ได้อยากจะลาออกเพราะว่าเขาคิดว่าการทํางานประจําแล้วก็กลายเป็นนายตัวเองไปด้วยเนี่ยก็มันก็ดีเขาก็เลยสร้างทั้งสองเส้นทางครบคู่กันไปเลย<ะ>แต่จุดพีคมันมาอยู่ที่ว่าเจ้านายของเขาครับหัวหน้าของเขาเนี่ยเป็นคนอายุ ป, ประมาณ40กว่าจะ50 ทำงานประจําจากที่นี่มาน่าจะเป็น10ปีเสร็จปุ๊บหมดไฟอพอหมดไฟปุ๊บเงินเดือนเป็นแสนแต่ผลงานได้ไม่เท่าเดิมแต่บริษัทก็ยังใจดีครับบริษัทเนี่ยเขาก็ไปส่งอบรมไปแบบปลุกไฟปลุกพลังให้คนนี้กลับมามีแรงในการทํางานอีกครั้งหนึ่ง ใ, ให้ถ่ายว่าสําเร็จไหมไม่เออใช่ไม่สําเร็จเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะเขาเป็นฐานที่แบบมอดแล้ว บริษัทก็เลยตัดสินใจเชิญเขาออกแล้วก็ให้เงินไปก้อนหนึ่งประมาณห้าแสนไม่ใช่ประมาณ50าแสนเขาโทษทีเงินก้อนนึงไม่รู้เท่าไหร่แล้วทีนี้เนี่ยเขาเอาเงิน 500,000 เนี่ยไปลงทุนเพราะเขาเคยทํางานประจําเงินเดือนเดือนละแสนถ้าเกิดเขาทําหาไปเป็นนาเตรอหาได้น้อย ก, กว่านะเขาเดือนร้อนแน่นอนเพราะว่าภาระเขาก็มีก็แน่นอนอยู่แล้วแหละภาระคือภาระใช่เขาเอาไปเขาไปอ่านนะฮะเขาไปอ่านเว็บบอร์ดหรือ ว, ว่าเว็บข่าวอะไรไปดูที่พูดถึงการปลูกเกษตร เป็นพืชตัวหนึ่งเป็นเป็นพืชตัวหนึ่งนะฮะแล้วเขาบอกหเี่ ย, นยคนได้ปลูกได้เดือนหนึ่งหลายแสนเลยออืเขาก็เลยเอาเงินเก็บทั้งหมดอะ่ะไปลงกับธุรกิจการเกษตรตัวนั้นค่ะและลองเดาดูนะคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนมาทั้งชีวิตพอไปทําเป็นนายตัวเองครั้งแรกเป็นยังไงครับก็บอกไม่ถูกสิเจ๊งเออห้า แ, <ต>แสนละลาย<ม>หายไปที่นิพพิตาไม่แต่บางคนที่ประสบความสําเร็จ พอประมาณก็มีใช่เพราะเราต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันแบบว่าไม่ได้ประสบความสําเร็จเสมอไปใช่แต่ส่วนใหญ่ไอสิ่งที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยตั้งใจทําอย่างจริงจ<ช>ังและมีตลาดรองรับอยู่แล้วใช่ปัญหาของคนที่ทํางานเงินเดือนแพงคืออะไรรู้ปะ่ะอะไรเขาผ่านอะไรมาเยอะการที่เขาจะไปจุสู่เงินเดือนหลักแสนได้เนี่ยอืเขาต้องมีสกิลที่มันเยอะประมาณหนึ่งเลย อ, ะอ่ะทีนี้ คนที่ทำงานเป็นมนุษย์งเงินเดือนเนี่ยแพรมก็น่าจะรู้จักใช่ไหมมีตั้งหลายคนที่เป็นเพื่อนแพรมเยอะใช่เขาจะมีความเชื่ออย่างหนึ่งก็คือกูทำงานเป็นมนุษย์งเงินเดือนทำให้คนอื่นรวยได้ค่ะเราก็ทำให้ตัวเองรวยได้เช่นเดียวกันใช่และก็เลยเอาความมั่นใจจากการทำงานประจําเนี่ยมาสร้างเส้นทางตัวเองแบบเต็มปเปี่ยมเลยอแต่เขาไม่รู้ว่าการเป็นนายตัวเองกับการทำงานประจํามันใช้ทักษะคนละตัวกัน ให้มนุษย์เงินเดือนเงินเดือนหลักแสนไปทํางานเป็นนายตัวเองที่มีรายได้หลักหมืน่นก็อาจจะไม่รอดค่ะหรือให้เงินนายตัวเองที่มีรายได้แบบดเดือนหนึ่งเป็นล้านไปเป็นมนุษย์เงินเดือนหลักแสนก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันค่ ะ, คะพี่คนนี้พอเขาแบบเงินหมดปรึงสิ่งแรกที่เขาคิดคือเป็นเพราะปูทุนไม่พอก็เลยยังไม่ประสบความสำเร็จเขาก็ไปรูดบัตรเครดิตแล้วเอาเงินมาหมุนธุรกิจอีกอ๋อเวทกรรมสร้างนี้สินนท์ทอมหัวอีกตัวแบบอืห ไม่ไงเขาก็อาจจะคิดว่ากูเดินหน้าไปเกินครึ่งแล้วไงใช่ก็อัดเข้าไปอีกอใช่จะได้ติดล็อคแม่งเลยใช่มีคําแนะนำไมเคิลแบบนี้ถ้าเคิแบบนี้หรอลงตังค์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วไม่พยายาตั้งใจขนาดนี้นี่คือพักก่อนไหมออหรือว่าหาจุดบกพร่อ ง, องตัวเองก่อนดีกว่าให้ไปแล้วแล้วค่อยไปทําต่อแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะ่ะบางทีเนี่ยพลาดแล้วและยังมั่นใจว่า ยังจะสําเร็จได้อีกเนี่ยอะถามจริงๆนะล้มแล้วลุกได้แต่ถ้าล้มแล้วเหยียบซ้ํำซะขนาดนี้แล้วจมดินขนาดนี้แล้วเฮ้ยหยุดดีกว่าไหมใช่หรือว่าเราเอาเอาอันเนี้ยไปทําอย่างอื่นที่มันได้ตังดีกว่านี้ไหมเพราะบางทีเนี่ยแพมเคยเห็นบางคนที่ทําธุรกิจอีกตัวหนึ่งแล้วเอาไปทุ่มกับอีกตัวหนึ่งแล้วพอแต่ปุ๊บก็กลับไปทําตัวเดิมแล้วกลับมาทุ่มใหม่อันนี้สรุปชิบหายไม่เหลืออะไรเลยค่ะเดีย๋ยวว่าแต่คนฟังเลยใช้ก็เริ่มง ง, งกันตอนนี้อ้า <c oughs> คือจะบอกเขาว่าความจริงแล้วไอการทําอะไรแบบนี้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ที่ไม่ดีหรอกครับคนที่เขาลงเงินเยอะแยะเสี่ยงกู้ธนาคารมา ท, ทําธุรกิจแล้วรวยประสบความสาเร็จก็มีอืแต่ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาจะเป็นที่จะต้องมีก่อนการลงทุนคืออะไรรู้ปะ่ะสมองเมนทอรเมนทอรแปลว่าเป็นลูกอมที่ใช้กินแล้วก็ห้ามกินโคกเหรอแล้ว น, นั่นเมนทอแล้วกลืนได้ปะ <c oughs> โอเคไปไกลแล้วอ่ะเขาควรจะมีที่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นครูของครูที่สามารถให้2 ส, สิ่งกับเขาได้ก็คือเทคนิ ค, คใช่ความรู้กับที่พึ่งทางใจอืจริงไหมเพราะว่าการเป็นนายตัวเองเนี่ยคือวินาทีที่คุณกระโดดออกจากโลกบนเรื่องเงินเดือนมาสู่การเป็นโลกของนายตัวเองมันเหมือนนั่งอยู่บนเรือที่มันโค้งไปโค้งมามันไม่ได้มันม่นคงเลยแถมยังมีรูรั่วด้วยน้ําซึมไหลอีกใช่ครับผมการไปหาครูบาอาจารย์ที่เขาประสบความสำเร็จในด้านนั้นแล้วให้เขาถ่ายทอดวิชาให้กับเราเนี่ยเป็นการอุด รูรั่วที่ดีที่สุดเออมันมันจริงนะเพราะบางทีเนะี่ยมันพลาดด้วยการที่ไม่มีประสบการณ์ฟังอย่างเดียวมันง่ายแต่พอทําจริงๆอะ่ะมันอาจจะพอสอบผลสําเร็จไม่เท่าที่คาดหวังไว้ก็ได้เนาะใช่ใช่กายเป็นลูกจ้างมันยากกว่ากลายเป็นนายตัวเองในยุคนี้ผมคิดอย่างนั้นแต่มไม่ได้ง่ายถึงขนาดที่ว่าใครจะทําอะไรแล้วมันก็ประสบความสำเร็จไปหมดอืนะครับถ้าสมมติเป็นธุรกิจการเกษตรจริงๆเราเคยสัมภาษณ์ใคร ก็ดกเรเกิร์กค่ะใช่ดรเกิร์กกับพี่ชาติแต่ว่าตอนที่พี่ชาติเนี่ยคือเธอไม่ได้สัมภาษณ์ใช่อย่างดรเกิร์กเนี่ยครับคือเขาเนี่ยสนับสนุนให้เยาวชนคนไายรวมถึงผู้ใหญ่กล้าที่จะเป็นกเกษตรกรรุ่นใหม่ค่ะนะฮะเขาก็เหมือนกับไปร่วมมือกับชมรมคนกล้าคืนถิ่นเปิดอบรมกรเกษตรกรฟรีใครอยากเป็นกเกษตรกรมาเรียนกับเขาฟรีเลยแต่มีเงื่อนไขเดียวค่ะมึงต้องอยู่กับกูแบบเป็นเดือน จิงจิงมันก็สมควรที่จะอยู่เป็นเดือนหรอก<ช>เพราะว่าอ่ะไอ้พวกที่บอกว่าหนูอยากเป็นค่ะฝ่อยากเสร็จปุ๊บมึงอยากได้ไม่ถึง2วันมึงเลิกทําแล้วเนี่ยคืออยากไม่จริงถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นเกรรษตรกรเนี่ยคุณต้องยอมเหนื่อยได้ยอมทนได้และคุณต้องใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นทุกวันตลอดไม่ต่ํากว่า3เดือนถ้าคุณผ่านจุดนี้ไปได้รับประกันว่าคุณไปต่อได้อันนี้แพมเห็น ด, ด้วยใช่แต่สเดือนเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะไม่มีรายได้เลยนะอ่าที่นอน เรื่องของการกินอะไรเขามีหมด คือมีข้าวให้มีนาให้คุณก็ต้องไปเกี่ยวข้าวเองไปสีข้าวเองหุงข้าวเองเออก็ต้องนั่นแหละคือวิถีชีวิตของเกษตรกรไม่ใช่ว่าตื่นเช้ามาเนี่ยนั่งแดกกาแฟชิวๆนั่งแดกกาแฟชิวๆเอาถั่วไปฝังแล้วรอให้ถั่วงอกมาเป็นต้นไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องอะไรเลยมึงดูดูโดเรมอนเยอะไปหรือเปล่าก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่นู่นใส่นี่ทํานั่นทํานี่ทำโน่นเก็บเศษขยะเก็บเศษปุ๋ยเศษอะไรมีแมลงมาชอนใช้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าเอาเอาฝังกรอบดินปุ๊บ นั่งรอ10วันโอ้ยเป็นต้นแล้วขายได้ตังค์ดอกแต่ว่าทีนี้เนี่ยคือไม่ต้องกูว่าจะไม่มีไรายได้ค่ะนะครับกำไรที่ขายได้จากผลิตภัณฑ์ที่คุณออกแบบเออไม่ใช่จากผลิตภัณฑ์ที่คุณเป็นคนปลูกมันเองเนี่ยแบ่งครึงคร่งๆเลยอโครงการได้ครึ่งหนึ่งเจ้าของสวนเอ่อครูได้ครึงงคร่งหนึ่งนักเรียนได้ครึ่งหนึ่งอ่าก็คือเหมือนดอร์เกิร์ลเนี่ยจะเป็นคนที่ลง ท, <ห>ทุนให้มดลงทุนให้มดทุกอย่างคุณก็แค่ทําอย่างเดียวเนี่ยแค่เนี่ย คุณคิดว่าคุณทําได้หรือเปล่าล่ะแหมคนนั้นก็บอกว่าเอ้ยมัวแต่ดูถึงแต่เม็ดเงินไงอไอคนที่คิดตนใหญ่นะหวังผลแค่เม็ดเงินแต่ไม่ได้หวังว่าคุณจะทําได้หรือเปล่ า, อาเออคิดแต่ทําอะไรก็ได้ที่แบบหวังเป็นเม็ดเงินเม็ดเงินเม็ดเงินออกมารเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยไอที่มันไอที่มันจีใหม่นะคือมีแฟนคลับสตาร์ทอยู่ฟังดรเกิดแล้วหึดไปเรียนกับดรเกิดจริงๆเลยเขาบอกไปอยู่กันประมาณสอเดือน เหนื่อยชิบหายเขาบอกเหนื่อยตั้งแต่วันแรกเหนื่อยโอ้โคตรเหนื่อยโคตรทรมานเลยอแต่หลังจากนั้นหลังจากผ่านไปเดือนแรกสบายชิลมันชิลเพราะอะไรมันเริ่มง่ายแล้วมันเริ่มชินแล้วแต่ไอ้พวกที่บอกว่าอ๋อเหนื่อยหนังเกลี่ยมหนังดำนั้นนูนนี่ทะลับสภา์นั้นไม่ได้ไปทำอาชีพอื่นขอล้องและและที่เจ๋งมากเลยนะคือสองคนได้มาบอกกับผมว่าตอนเนี้ยพี่วิชเชื่อไหม ไม่<ช>ว่าจะเชื่อในเธอเชื่อเชื่อเชื่อพี่วิตเชื่อไหมครับตอนนี้ผมจะอยู่ที่ไหนของประเทศขอแค่มีที่ดินผมอยู่รอทุกที่ อทั้งสองคนพูดอย่างนี้ตรงกันเลยผมอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วตอนนี้เพราะวิชาที่ได้รับมาเนี่ยคือมันเน้นๆนจริงจริงอ่าอันนี้เราไม่ได้มาอวยดร์กเกิร์นะคะแต่เรายกเป็นกรณีตัวอย่างให้คุณฟังแค่นั้นอ่ะเราไปพูดถึงอาชีพอื่นบ้างอ่าจบพอดแคสต์ก่อนเพราะว่าตั้งใจว่าแค่ตอนคิดยีนาทีพออ๋อหรอพูดจนล้าลายเหนียวแล้วเนี่ยอ่เดี๋ยวตอนหน้ามาพูดถึงอาชีพของมาดามแพมดีกว่าช่างแต่งหน้าจ้านะครับ <Okay. S 2> แล้วก็อ่ะอย่างเรื่องของดรเกกี่ก็คืออยากาาไว้้้้ถพ่ผูชยคนนนัฟเตอยร์เวลากลับไิร์ลเนก่ เออ <c oughs> ใครอยากจะเป็นเกษตรกรเนี่ยอย่าเพิ่งมั่นใจว่าจะเอาเงินเป็นแสนไปลงมันมันมีความเสี่ยงอยู่นะอมผมแนะนําให้ไปหาครูบาอาจารย์ไปเรียนก่อนไปหาคนที่เขาจะชี้ทางทําให้เราเนี่ยอยู่รอดได้แน่ก่อนไอตรงนั้นอ่ะไม่ได้เสียเงินเลยแต่ต้องมีความตั้งใจค่ะนะครับดังนั้นในพอดแคสต์สตาร์ยูเอวันนี้ก็ขออนุญาตบายบายไปก่อนแล้วกันนะครับได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากเขาไม่ได้เรียกเป็นคลิปบอกแล้วไงเรียกเป็นเอพิโซดเออเรียกอะไรช่างหวมเถอะแค่นี้แล้วกันไปละ บายขอบคุณค่ะ